Thank you. กิริยาแห่งธรรมโมชปัญญาตอนสายวันหนึ่งพระอาทิตย์โคจรขึ้นเกือบจะถึงตึ่งฟ้าทางด้านตะวันออกแล้ว ก็ยังพัดมาเบาๆความสบชื่นแพปกคลุมอยู่ทั่วพระเชตวันมหาวิหารความร่มรื่นแห่งอารามผสมด้วยความสงบระงับภายในแห่งสมณะผู้อาศัยอยู่ทําให้อนาถาปินติการามปรากฏประหนึ่งโลกทิพย์ซึ่งมีแต่ความสงบเย็นเสียงพิะสุหม่สาธยายพระพุทธพจน์ดังอยู่เป็นระยะระยะนอกจากนี้ ยังมีบางท่านเดินจงกรมพิจารณาหัวข้อกรรมฐานที่อาจารย์บอกให้เพื่อทำลายอสวะซึ่งหมักดองอยู่ในจิตใจเป็นกิเลสสารุัยอันติดตามมาเป็นเวลาช้านานบางรูปสักและย้อมจีวรบางท่านขวาดลานพระวิหารและเตรียมอาคันตุกัดพันต่างชนิดเพื่อพิสูจน์ต่างถิ่นผู้ที่จะเดินทางมาฟ้พระาศาสดาทั้งหมดนี้ เป็นไปโดยอาการสงบเป็นเครื่องนํามาซึ่งศรัทธาเลื่อมใสแก่ผู้ทัศนายิ่งนะักเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้อนันตชินได้เสด็จผ่านมาภิกษุผู้นั่งอยู่ก็ลุกขึ้นยืนถวายความเคารพผู้เดินอยู่ก็หยุดเดินภิกษุผู้กําลังทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็หยุดงานไม่ชั่วคราวเพื่อแสดงอาการคารวะ และมองดูพระศาสดาด้วยสายตาอันแสดงถึงความเลื่อมใสลึกซึ้งพระเจอมุลีทรงทักถ่ายพิสุบางรูปและทรงแนะนำข้อธรรมบางประการแล้วเสด็จเลยไปเมื่อถึงกตฏิหลังหนึ่งพระพุทธองค์ประทับยืนนิ่งครู่หนึ่งแล้วผินพระพักมาถามพิสุผูดตามเสด็จว่าอานุ น, น พิสุรูปใดอล่ะอาศัยอยู่ในกุฏิหลังนี้นะ่ะพิสุชื่อติดสากพระเจ้าค่ะเธออยู่รึเปล่าละ่ะน่าจะอยู่นะพระเจ้าค่ะพระศาสดาเสด็จเข้าไปภายในกุฏิภาพที่ปรากฏหนบื้องพระพักทําให้พระองค์สังเวชสุดประมาณพิสุรูปหนึ่งอยู่ในมัชชิมวัยนอนนิ่งอยู่บนเตียงน้อย ร่างกายของท่านปลุกพลุนไปด้วยรอยแผลมีน้ำเหลืองไหลยเยิ้มท่วงกายแต่ยีงและผ้าของพิสูุรูปนั้นก็แปดเปื้อนด้วยปุกโพโลหิตทรงกลิ่นคลาวคลุ้งท่านนอนจ้มอยู่ในกองเลือดและหนองซึ่งแห้งกลางไปแล้วก็มีที่กำลังไหลยเยิ้มอยู่ก็มีเมื่อได้ยินเสียงพิสูุรูปนั้นก็ลืมตาขึ้นผ้าพระศาสดาซึ่งประทับยืนอยู่นริมเตียงนั้น ทำให้ท่านมีอาการตะลึงจะยกมือขึ้นถวายความเคารพแต่ยกไม่ขึ้นเหลยวไปอีกด้านหนึ่งของเตียงท่านได้เห็นพระพุทธอนุชา ย, ยืนสงบลิ่งอาการเศร้าฉายออกมาทางดวงหน้าและแววตาของพระ อ, อนนทผู้ประเสริฐและแล้วเมื่อเหลื อ, ลอมาสพพระเนรซึ่งศาสแหววแห่งพระมหากรุณาออกมาของพระศ า, าสดาอีกครั้งหนึ่งคราทีนั้น ความตื้นตาใจได้ท่วมท้นทะวใยของพุทธสาวกจนเออล้นออกมาทางดวงตาทั้งสองแล้วค่อยๆไหลซึมลงอาบแก้มซึ่งแห้งและตอบเพราะอนุภาพแห่งโรคนั้นดูก่อนติดสัตว์เธอได้รับทุกขเวทนามากหรือมากเลอเกินพระเจ้าค่ะเหมือนนอนอยู่ท่ามกลางหนาัง เธอน่ยไม่มีเพื่อนพรมจารีหรือสหธรรมิกหรือสัตว์ทีวิหาริกอันเตวาสิกคอยปฏิบัติช่วยเหลืออยู่บ้างเลยหรือเคยมีพระเจ้าค่ะแต่เวลานี้น่ะเขาทอดทิ้งข้าพระองค์ไปหมดแล้วทําไมจึงเป็นอย่างนั้นล่ะเขาเบื่อพระเจ้าค่ะเพราะข้าพระองค์ป่วยมานานแล้วก็รักษาไม่หายเขาเลยพากันทอดทิ้งข้าพระองค์ไปเนี่ย อาการเริ่มแรกนะ่ะเป็นยังไรบ้างละ่ะติดสะแรกทีเดียวก็เป็นต่อมเล็กๆประมาณเท่ า, มาเมล็ดผะกาศผุดขึ้นทั่วกายพระเจ้าค่ะแล้วค่อยๆโตขึ้นตามลำดับเท่าเมล็ดถั่วเขียวเท่มามละตมและแล้วมันก็แตกน้าเหลืองก็ไหลสลีละทั้งสิ้นก็เป็นรูน้อยรูใหญ่สบงและจีวรก็เปิดไปด้วยเลือดและหนองอย่างนี้แหละพระเจ้าค่ะ ทูนได้เท่านี้พระติสั ก, ก็มีอาการหอบเล็กน้อยอ่อนเพลียไม่สามารถทูนต่อไปได้อีก ตินั้นไปสู่โรงไฟพระศ า, าสดาส่งล้างหม้อน้ําด้วยพระองค์เองพระอนนท์ติดไฟเสร็จแล้ววางหม้อน้ําไว้บนเตาทรงรอคอยจนน้ําเดือดแล้วเสด็จไปหามตีงพิสุขให้พระองค์จับด้านหนึ่งและพระอนนท์จับอีกด้านหนึ่งหามมาสู่เรือนไฟปิสุขหลายรูปเดินมาเห็นพระศาสดาทรงกระทำเช่นนั้น ก็ช่วยเหลือคนละไม้คนละมือส่งให้เปลื้องผ้าของพระติสระออกแล้วซักให้สะอาดอาบน้าให้พระติสระด้วยน้ำอุ่นส่งํำระเรือนกายอันกรุกกรุนด้วยพระองค์เองพระอนตลคอยช่วยเหลืออยู่อย่างใกล้จิตเมื่อร่างกายนั้นสะอาดพอสมควรแล้วและผ้าติซักไว้ก็พอนุ่งห่มได้เรียบร้อย ครั้นพระพุทธองค์ทรงเห็นสังขารของพระติสากคอยกับปลีกับเปล่าขึ้นพอสมควรแล้วจึงประทานพระโอวาทว่าติสะร่างกายนี้นะ่ะไม่นานนักหรอกคงจะต้องนอนทับถมแผ่นดินร่างกายนี้นะ่ะเมื่อปราศจากวิญญาณคลองแล้วก็ถูกท่อทิ้งเหมือนท่อนไม้ที่ไร้ค่าอันเขาทิ้งซยแล้วอย่างไม่ใหญ่ดี จงดูกายอันเปื่อยเน่านิถะมันอาดูนไม่สะอาดมีสิ่งสุกปรกไหลเข้าออกอยู่เสมอถึงกระนั้นก็ตามมันยังเป็นที่พอใจปรารถนายิ่งหนักของคนผู้ไม่รู้ความจริงข้อนี้เมื่อพระศาสดาสแสดงคำจบลงพระติสัต์ได้สำเร็จพระอาหารหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธา และเนื่องจากอาการป่วยหนักมากท่านไม่สามารถทนต่อไปได้อีกจึงนิพพานโดยอนุปาที่เสสานิพพานพระศาสดาส่งให้กระทาชาปนาจิตแล้วให้ก่อเะดีขึ้นเพื่อบรรจุพระาธาตุแห่งพระติสะนั้นข้อนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าความที่ไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐ มั่นจ้างเป็นความจริงเช่นนี่ไงบรรดาโรคทั้งหลายนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งก็เป็นความจริงที่ไม่สามารถจะขัดข้านได้สัตว์ทั้งหลายอาจจะว่างเว้นจากโรคอื่นๆหนึ่งปีบ้างสองปีบ้างห้าปีบ้างสิบปีบ้างก็พอมีแต่ใครละ่ะจะว่างเว้นจากโรคคือความหิวแม้เพียงวันเดียว เราคือความหิวนี้จึงต้องการบำบัดอยู่ตลอดเวลาตลอดอายุการที่มนุษย์ต้องวิ่งเต้นชนิดกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลเวนั้นส่วนใหญ่ก็เพื่อนําปัจจัยซึ่งสามารถบำบัดความหิวนี้เองมาปลนเปลือยร่างกายนั้นอันพ้องอยู่เสมอนอกจากโรคประจำคือโรคหิวแล้วยังโรคอื่นอื่นอีกมากมายคอยดีบคันเสียแทง ให้มนุษย์ต้องกระวนกระวายปวดร้าวทั้งทางกายและทางใจและจะมีเวลาใดเล่าที่มนุษย์จะต้องการเพื่อนผู้เห็นใจเสมอเหมือนเวลาป่วยหรืออาพาธนะั่ในทำนองเดียวกันจะมีมิดใดละ่ะจะเบะเื่อนายและรำคาญเพื่อนในยามทุกข์เสมอด้วยวิดเทียมความพอใจช่วยเหลือกันตามฐานะและโอกาสน่าจะเป็นหน้าที่ของมนุษย์ ผู้ได้รับการศึกษาดีแล้วนอกเสียจากเขาผู้นั้นจะเป็นมนุษย์แต่เพียงกายและได้รับการศึกษาเพียงขึ้นข้างเงนกลางเท่านั้น พระอ น, นุ์เป็นปัจฉาสมณ ะ, สะเสด็จไปตามเสนาสนะต่างๆถอดพระเงตเห็นพิสุอาพาธหนักรูปหนึ่งนอนจมกองอุจระาและปัสสาวะของตนอยู่พิสุรูปนั้นป่วยเป็นโรคท้องร่วงไม่มีใครพยาบาลเลยทั้งนี้เพราะเมื่อคราวท่านปกติดีอยู่ท่านไม่เคยอุปการะใครพระพุทธองค์อันพระมหากรุณาเตือนแล้ว ได้ให้พระอนุ์ไปนำน้ำมาพระองค์ราดรถลงพระอนุนขัดสีพระองค์ทรงยกศรีรษะพระอนุ์ยกเท้าแล้ววางไว้บนเตียงนอนให้ฉันขี่ลาณเภศั์เท่าที่พอจะหาได้เย็นวันนั้นเองก็ทรงให้ประชุมสงฆ์ปรารบข้อที่พิสุอาพาธไม่มีผู้พยาบาลได้รับความลำบาก และตรัสพระพุทธพจน์อันจับใจว่าพิกษุทั้งหลายพวกเธอน่ะบัดนี้ไม่มีมารดาไม่มีบิดาแล้วถ้าพวกเธอไม่รักษาพยาบาลจันเองใครจะรัจะพยาบาลพิกษุทั้งหลายผู้ใดน่ะมีความประสงค์จะปฏิบัติบำรงเราขอให้ผู้นั้นปฏิบัติบำรงพิสุอาพาเธอ เท่ากับได้ปฏิบัติบำลงเราพิสุทั้งหลายเมื่อพิสุอาพาธลงพิสุทธิผู้เป็นสิทธิ์พึงรักษาพยาบาลจนกว่าเธอจะหายถ้าสิทธิ์อาพาธลงอุปัชัยยะอาจารย์พึงทําเช่นเดียวกันพิสุรูปใดไม่ทําพิสุทนั้นย่อมเป็นอาบัติคือฝาฝืนระเบียบของเราถ้าอุปชัยยะอาจารย์ไม่มี ให้พิสุผู้ร่วมอุปชายเดียวกันปฏิบัติถ้าไม่ทำย่อมเป็นอาบัตอันหนึ่งถ้าพิสุร่วมอุปชายอาจารย์เดียวกันไม่มีให้เป็นหน้าที่ของสงฆ์ที่จะพึงรักษาพยาบาลเธอจนกว่าจะหายอย่าได้ทอดทิ้งเธอไว้เดียวได้ความสำนึกในพระพุทธวจนานี้เองเป็นเหตุให้พิสุทั้งหลายแม้จะมาจากมณฑต่างกันตระกูลต่างกัน แต่เมื่อมาสู่ธรรมวิไนนี้แล้วก็มีความรู้สึกต่อกันฉันพี่น้องซึ่งมีพระบรมศาสดาเป็นบิดามีธรรมวิไนเป็นมารดามองกันได้สายตาที่แสดงไมตรีจิตมีพระดรภาพแท่ปกคลุมอยู่ทั่วร่วมเงาแห่งกาสาวัตนอกจากจะมีต่อเพื่อนโภมจารีแล้วพระดรภาพซึ่งเอิบอาบอยู่ในจิตใจของพิสุท์ทั้งหลาย ยังได้แผลไปถึงสามัญชนทั่วไปและดีเดชานอีกด้วยสมณะเป็นเพศสูงและมีน้ำใจน่ารักน่าเคารพยิ่งนักท่านพร้อมที่จะเข้าใจผู้อื่นแต่ดูเหมือนสามัญชนไม่ค่อยจะเข้าใจท่านเลยความเพื่อแผ่และเมตตากรุณาซึ่งในสั่งสมอบรมมานั้นอยู่ตัวแม้บางท่านจะประพฤติปรมาจารย์อยู่ไม่ได้ตลอดชีวิต จำเป็นต้องศึกออกมาดำรงชีพเยี่ยนคระหัดทั้งหลายความเพื่อแผ่และเมตตากรุณาหวั่นใจต่อความทุกข์ของผู้อื่นก็หาได้คลายลงไม่มีความรู้สึกเหมือนมนุษย์ทั้งโลกเป็นญาติของตนจึงคอยหาโอกาสที่จะช่วยเหลือผู้อื่นตามฐานะและจังหวัดที่มาถึงเข้าจนบางครั้งทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไปในทางร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีใจแค่ มองเห็นการทำความดีของผู้อื่นด้วยสายตาที่ไม่ไว้วางใจคิดว่าเขานะ่คงจะมีเจตนาไม่บริสุทธิ์อยู่เบื้องหลังคนที่ทำความดีโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนจะไม่มีอยู่ในโลกบ้างเชีหรือไกรเราจะใจแคบจ น, นไม่พยายามมองเจตนาดีของผู้อื่นบ้างเลยล่ะ พ, พระาัรอนุลได้ทราบจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเือไปเยี่ยมไข้พระองค์เสด็จไปเยี่ยมตรัสถามถึงอาการป่วยพระผักกุณกทูลว่าอาการป่วยหนักมากมีทุกขเวทนากล้าแข็งลมเสียดแทงศีสษะมือนถูกเฉือนด้วยมีดโกนันคมกริบ ป, ปวดท้องเหมือนบุรดุษข้าโคเอามีดชำละโคที่คมมาชำละท้องเจ็บปวด เล่าร้อนทั่วกายเหมือนถูกย่างบนหลุมฐานเพลิงพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมพันานาความทุกข์แห่งสังขารอันมีผลสืบเนื่องจากกิเลสและกรรมของตนจนพระผักคุณะได้สำเร็จเป็นโสดาบันครั้งหนึ่งพระคิริมานันทะอาพาธนะพระอนุทราบเรื่องนี้แล้วทูลราธนาให้พระาศาสดาเสด็จไปเยี่ยม เนื่องจากพระพุทธองค์ยังทรงมีภารกิจบางอย่างอยู่จึงเสด็จไปไม่ได้แต่ทรงให้พระอนนท์เรียนสัญญาสิบประการแล้วไปสาธยายให้พระคิริมานันทะฟังพระอนนท์ครั้นเรียนสัญญาสิบประการอย่างแม่นยำแล้วก็นำไปสู่สำนักของพระคิริมานันทะสาธยายสัญญาสิบประการให้ฟังโดยใจความดังนี้รูปคือก้อนทุกก้อน ซึ่งประกอบขึ้นจากท่าสี่กล่าวคือดินน้ำลมและไฟเป็นไปโดยจักรสี่คือยืนเดินนั่งนอนอันรวมเรียกว่าอิรยิยาบถมีทวารเก้าคือตาสองหูสองจมูกสองปากหนึ่งทวารหนักหนึ่งทวารเบาหนึ่งอันเป็นที่หลังไหลออกแห่งตัวปลวก คือสิ่งโสโครกต่างๆขี้ตาไหลออกจากตาขี้หูไหลออกจากช่องหูเป็นต้นทั่วสันหาังมีรูเล็กๆเป็นที่ลางไหลออกแห่งสิ่งโสกปรกอันหมักห ม, มมอยู่ภายในพระาศาสดาจึงเปรียบรูปกายนี้เหมือนจอมปลวกบ้างเหมือนหม้อดินบ้างวัฒนาคือความสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเฉยๆบ้างสัญญา คือความทรงจำหมายรู้ซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสและผดทพารมคือสิ่งซึ่งถูกต้องได้โดยกายสังขารคือสภาพที่ปรุงแต่งจิตให้เป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างเป็นกลางบ้างวิญญาณก็คือการรับรู้อารมณ์อันผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าขันห้า ล้นมีสภาพเป็นทุกข์เพราะทนอยู่ไม่ได้ไม่เที่ยงเพราะปรวนแปรอยู่เสมอเป็นอนัตตาเพราะฝืนไม่ได้ไม่เป็นไปตามปรารถนาว่าจงเป็นอย่างนี้เถอะอย่าเป็นอย่างนั้นเลยทั้งหมดที่กล่าวมา น, นี้เพราะผู้มีพระภาครวมเรียกว่าอนิจจสัญญาและอนัตตาสัญญาเพื่อให้สัญญาทั้งสองประการได้รับอุปธรรม พระพุทธองค์ทรงสอนให้พิจารณาอสุภสัญญาคือความไม่งามแห่งกายนี้โดยอาการว่ากายนี้ตั้งแต่ปลายผมลงไปตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆกล่าวคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจ ตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีสเสลดหนองเลือดเหงื่อน้ำมันข้นน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำลายน้ำไขข้อน้ำมูดอาการหรือสิ่งกลางกลางมา น, นี้ยอมให้ทุกข์ให้โทษเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลง เป็นบ่อกเกิดแห่งโรคนานาชนิดเช่นโรคตาโรคหูโรคในจมูกโรคลำไส้และอื่นๆการพิจารณาเห็นโทษแห่งสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นรังของโรคนั่นแหลเรียกว่าอาทีนวัสัญญาร่างกายนี้เป็นที่นำมาคือเป็นสื่อแห่งความตรึกในเรื่องการบ้างเรื่องพยาบาลเรื่องเบียดเบียนบ้างวิตกบ้าง ทั้งสามนี้เนะ่เมื่อจะตั้งลงก็ตั้งลงในกายนี้การกำหนดใจประหารกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกเรียกว่าประหารนสัญญาเมื่อประหารได้แล้วความกำหนัดพอใจในสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดพอใจก็คลายลงพอใจในการที่จะสำรอกราคะเส้ยเรียกว่าวิราคะสัญญา การดับกิเลส ท, ทั้งมวลให้ประสบความสงบเยือกเย็นได้เรียกว่านิโรธความพอใจกำหนดในนิโรธนั้นเรียกว่านิโรธสัญญาความรู้สึกว่าโลกนี้เป็นที่ตั้งที่เกิดใงความวุ่นวายนาน า, นาประการหาความสงบสุขได้โดยยากไม่เพียงแต่ในโลกนี้เท่านั้นแม้โลกทั้งปวงก็ตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกัน ร้อนระอุอยู่ด้วยเพลิงภายในคือกิเลสแล้วไม่ปราถนาโลกไหนๆเรียกว่าสัพพะโลเกอนาพิระตะสัญญาการกำหนดใจไม่ปราถนาสังขารทั้งปวงไม่ว่ามีใจครองหรือไม่มีใจครองไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางซึ่งสิ่งที่เคยยึดถือไว้ย่อมประสบความเบากายเบาใจ เหมือนคนป่งภาระหนักลงเสียการกำหนดใจดังนี้เรียกสรพรพสังขารเรสุอานิทษสัญญาหรืออนิจจสัญญา จากบรรพชิตแล้วยังมีเครือหารอีกมากหลายซึ่งพระอานนท์ได้ช่วยเหลือในยามเจ็บป่วยเป็นต้นว่าท่านอนาถปิณิกาเศรษฐีและเครือหารปีนามว่าสิริวัฒนาชาวเมืองราชกฤกและเครือหารดีนามว่ามานทินัท์ชาวเมืองราชกฤกเช่นเดียวกันแน่นอนทีเดียวการอุปการะช่วยเหลือผู้อื่นคล้าวอาพาธนั้น ย่ำเป็นสิ่งประทับใจอยู่ตลอดการทั้งแก่ผู้รับและแก่ผู้ให้โรคเป็นศัตรูของชีวิตการช่วยกำจัดโรคเท่ากับช่วยกำจัดศัตรูของชีวิตทำนองเดียวกับกิเลสเป็นศัตรูของจิตใจการช่วยกำจัดกิเลสจึงเท่ากับช่วยกำจัดศัตรูของจิตพระพุมศสสดาและพระพุทธอนุชาอานนนั้น เป็นกาลยานมิตรแห่งมวลชนเป็นที่พึ่งได้ทั้งทางกายและทางจิตจะหากาลยานมิตรใดเล่าเสมอเหมือนหรือยิ่งกว่าท่านผู้ทรงคุณอันประเสริฐนี้ เข้าไปบินถบาศในเมืองสาวัตถีได้พบพรามณนามว่าสังคารวะผู้มีความเชื่อถือว่าบุคคลจะบริสุทธิ์ได้โดยการอาบน้ําในแม่น้ําคงคาวันละสามครั้งคือเช้ากลางวันและเย็นบาปอันใดที่ทําในเวลาราตรีบาปนั้นย่อมล้างได้ลอยได้ด้วยการอาบน้ําในเวลาเช้าและอาบน้ําในเวลากลางวัน เพื่อล้างบาปที่ทำตั้งแต่เช้าจนเที่ยงอาบน้ำในเวลาเย็นเพื่อล้างบาปอันอาจจะเกิดขึ้นในเวลาหลังเที่ยงน้ำที่จะอาบนั้นตั้งเป็นน้ำในแม่น้ำคงคาโดยถือว่าได้ไหลมาจากแดนสวรรค์ผ่านเสียนพระศิวะผู้เป็นเจ้ามาแล้วไม่เพียงแต่ล้างบาปอย่างเดียวเท่านั้นแต่สามารถบาบัดโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วยและเมื่ออาบน้ำในแม่น้ำคงคาทุกวัน ตายแล้วย่อมไปสู่สวรรค์ได้สถิตยอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าด้วยเหตุนี้จึงเป็นของธรรมดาที่จะมองเห็นโยคียและผู้บำเพ็ญพรตนิกายต่างๆทั้งสองฝั่งแม่น้ำคงคาตอนเหนือแถบภูเขาฮิมาลายทรมานตนอยู่ด้วยวิธีแปลกๆตามแต่ตนจะเห็นว่าอย่างไหนดีและสามารถเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าได้บางพวกนอนบนน้า บางพวกก็ครุกตัวด้วยขี้เทาบางพวกก็ยืนยกขาข้างเดียวอ้าปากกินลมชมจันทร์บางพวกก็ยืนเอามือเหนี่ยวกิ่งไม้จนเล็บยาวออกมาแทบจะทะลุหลังมือบางพวกบูชาไฟและบูชาพระอาทิตย์แต่ก็มีอยู่ไม่น้อยที่โยคีบางพวกบำเพ็ญเพียรทางจิตจนได้บรรลุฌานขั้นต่างๆสามารถมองเห็นเหตุการณ์ทั้งอดีตอนาคต เหมือนประสบมาเองบางคนสามารถได้เจโตปริย า, ยานคือรู้วาระจิตของผู้อื่นต่อปัญหาได้โดยที่ผู้ถามเพียงนึกถามอยู่ในใจเท่านั้นพระอานน์ได้เห็นสังขรวภามผู้ถือการลงอาบน้ำในแม่น้ำคงคาเป็นอาจินวัตรดังนั้นแล้วมากราบทูลตาผู้มีพระภาคเจ้า ว, ว่าพระองค์ผู้เจริญสังขรวภาพ เวลานี้นะ่ะอยู่ในวัยชรามีอัจยาสายงามพอสนทนาได้อยู่แต่อาศัยความเชื่อถือเก่าๆจึงยังมองไม่เห็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องขอพระผู้มีพระภาคจงอาศัยพระมหากรุณาสเสด็จไปโปรดสังคารวะพรามสักครั้งเถอะพระพุทธองค์ทรงรับอารัธนาของพระ อ, อ น, นุ์ด้วยอาการดุสนีวันรุ่งขึ้นสเสด็จไปสู่นิเวศของพรามนั้นเหมือนสเสด็จเยี่ยมอย่างธรรมดา เมื่อสัมโมทนียกถาล่วงไปแล้วพระพุทธองค์จึงตรัสว่าพรามเวลานี้นะท่านยังอาบน้าดำกล้าวในแม่น้าคงคาวันละสามครั้งอยู่หรือยังทำอยู่พระเจ้าค่ะพรามทูลด้วยอาการนอบน้อมท่านเห็นประโยชน์อย่างไรนะพรามจึงต้องอาบน้ำดำกล้าวเฉพาะแต่ในแม่น้าคงคาเท่านั้นที่อื่นจะอาบได้หรือไม่ล่ะ ที่ตถาคตถามนี้นะ่ะถามเพื่อต้องการความรู้ความเห็นเท่านั้นแหละอย่าหาว่าตถาคตอาลาบละล้วงในเรื่องส่วนตัวเลยพระโคโดมผู้เจริญข้าพระเจ้านะ่ะได้รับฟังมาตั้งแต่อายุยังยาวแล้วว่าแม่น้ําคงคานเนี่ยเป็นแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์สามารถชําระบาปมนทินทั้งปวงได้พอได้ไหลผ่านเสียนพระศิวะผู้เป็นเจ้าลงมาเป็นแม่น้ําคงคาสวรรค์ข้าพเจ้าจึงเลื่อนใส่ และก็ปฏิบัติตามบูรพชนซึ่งเคยถือปฏิบัติกันมาและข้าพเจ้าก็เชื่อว่าสามารถชาระบาปได้จริงๆพราหมณ์ทูลด้วยความมั่นใจพราหมขอให้ท่านนึกว่าเราเนี่ยสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกันเถิดตถาคตน่ะจะขอถามท่านว่าบาปมนทินนั้นน่ะอยู่ที่กายหรืออยู่ที่ใจ อยู่ที่ใจสิพระโคดมอ้าวเมื่อบาบมลทินอยู่ที่ใจเนี่ยการลงอาบน้ำำําชําระกายน้ํานั้นอาจจะสามารถซึมซาบลงไปในใจล้างใจได้เลยแต่พระโคดมต้องไม่เลยนะว่าน้ํานั้นนะ่ะม่ใช่น้ําธรรมดามันเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าสามารถล้างบาบมลทินภายในได้นะ่ะท่านคิดว่าความเชื่อนะ่ะสามารถเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง ซึ่งมีอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วเนี่ยให้เป็นอีกอย่างหนึ่งตามที่เราเชื่อหรือเปล่าอะเป็นไปไม่ได้เลยพระโกดมความเชื่อนม่อาจบิดเบือนความจริงได้ความจริงร่ำทรงตัวของมันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเถอะเป็นอันว่าท่านยอมรับนะว่าความเชื่อเนี่ยไม่อาจไปบิดเบือนความจริงได้ก็การที่ท่านเชื่อว่าแม่น้ำคงคา สามารถล้างบาปมนติงภายในได้นั้นนะ่ะมันจะเป็นจริงอย่างที่ท่านเชื่อหรือดูก่อนพราหม์อุปมาเหมือนบุรุษผู้หลงทางในป่าและบ่ายหน้าไปทางทิศหนึ่งซึ่งตนเข้าใจว่าเป็นทิศตะวันออกแต่ความจริงน่ะมันเป็นทิศตะวันตกความเชื่อของเขานะ่อาจจะไปเปลี่ยนทิศตะวันตกให้เป็นทิศตะวันออกได้ฉันในความเชื่อของพราหมเป็นอันมากที่เชื่อว่า แม่น้ำกงคานะ่ะเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์สามารถล้างบาปได้ก็ไม่อาจทำให้แม่น้ำนั้นล้างบาปได้จริงหรอกจึงชวนจนเข้าใจผิดเหมือนบรุษผู้หลงทางในป่า น, นั้นน่ะดูก่อนพรามเปรียบเหมือนบรุษผู้หนึ่งมีหมอทองแดงอยู่ใบหนึ่งมันเปื้อนเปลอดด้วยสิ่งปฏิกูลทั้งภายในและภายนอกเขาพยายามชาระล้างด้วยน้าจานวนมากแต่ล้างเฉพาะภายนอกเท่านั้น หาได้ล้างภายในไหมท่านคิดว่าสิ่งปฏิกูลภายในเน่ะจะพลอยหมดไปด้วยหรือเปล่าล่ะเป็นไปไม่ได้เลยพระโคโดมผู้เจริญบริษคผู้นั้นน่ยย่อมเหนื่อยแรงเปล่าไม่อาจทำให้ภายในหม้อสะอาดได้สิ่งสกปรกเคยเ ก, เกิดร้งอยู่ยังไงก็คงอยู่อย่างนั้นดูก่อนพรางเรากล่าวกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตว่า เป็นสิ่งทำให้จิตใจสกปรกและสามารถชาระล้างได้ด้วยธรรมคือความสุจริตไม่ใช่โดยการอาบน้ำธรรมดาน้ำดื่มของบุคคลผู้มีกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตย่อมเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปในตัวแล้วนี่ในพราหมณ์มาเถอะมาอาบน้ำในธรรมวินัยของเรานี้ซึ่งลึกซึ้งสะอาดไม่คุณมัว มีศีลเป็นท่าลงบันฑิตสรรเสริญเป็นที่ที่ผู้รู้นิยมอาบกันอาบแล้วข้ามฟังได้โดยที่ตัวไม่เปลี่ยนเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสต่างนี้พระามกล่าวด้วยความเบิกบานใจว่าแจมแจ้งจริงพระโคดมแจมแจ้งจริงเหมือนหลายของที่ควา่าเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทาง ่องประทีพในที่มืดให้ผู้มีในตาดีได้เห็นรูปข้าพระพุทธเจ้าขอปฏิญาณตนเป็นอุบาสกถึงพระองค์พร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์เป็นผู้นำทานตั้งแต่บักนี้เป็นต้นไปจวบจนสิ้นลมปลาน น้ำใจปรารถนาความสุขความสําเร็จแก่ผู้อื่นในฐานะที่พอช่วยเหลือได้หลังได้กล่าวมาแล้วนี้คุณธรรมอีกอย่างหนึ่งของท่านซึ่งน่าประทับใจยิ่งนักคือมีความเคารพย้ำเกรงต่อพระเถระผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐซึ่งพระศาสดาทรงยกย่องแล้วมีพระสารีบุตรและพระมหากระสปะเป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากระสปะนั้น พระอ น, นุลไม่กล้าแม้แต่จะเอ่ยชื่อท่านคราวหนึ่งพระมหากษัตริยเป็นอุปชาัยายะให้อุปสมบทแก่กุลบุตรผู้หนึง่งจึงส่งโทษไปนิมนต์พระอ น, นุลเพื่อสวดอนุสาวนาคือสวดประกาศเพื่อขอความยินยอมจากสงในการสวด น, นี้จะต้องระบุชื่อผู้เป็นอุปชัยายะด้วยพระอ น, นุลไม่รับท่านอ้างว่าท่านไม่สามารถเอ่ยชื่อพระมหากษัตริย ต่อหน้าท่านได้เพราะผู้มีพระภาคทรงทราบเรื่องนี้แล้วจึงทรงบัญญัติให้สวดอนุสาวนาระบุชื่อโคดกันได้อีกครั้งหนึง่งท่านมีหน้าที่ต้องให้โอวาดพิสุณีท่านขอร้องวิงวอนให้พระมหากัสสปะไปกับท่านเพื่อให้โอวาดภิสุณีแทนท่านเพราะเห็นว่าพระมหากัสสปะเป็นนักปฏิบัติที่เคร่งครัดโอวาทของท่าน คงจะเป็นประโยชน์แก่พิสุจนีผู้ใคร่ต่อการปฏิบัติพระมหากรสปะปฏิเสธถึงสองครั้งเมื่อพระ อ, อนนท์อ้อนวอนเป็นครั้งที่สามท่านจึงไปอย่างขัดพระ อ, อนนทไม่ได้โดยปกติท่านเป็นผู้อยู่ป่าไม่ชอบคลุกคลีด้วยหมูข่ขณะเมื่อถึงสำนักพิสุจนีและให้อวาตพอสมควรแล้วท่านก็ลากลับต่อมาท่านได้ทราบว่าพิสูจนีรูปหนึ่ง ติเตียนท่านว่าพระมหากัสสปะไม่น่าจะกล่าวทำต่อหน้าเวทีหมุนีคือนักราร์ดอย่างเช่นพระอานนท์เลยการกระทำเช่นนั้นน่ะเหมือนพ่อค้าขายเข็มนำเข็มมาขายแกในช่างผู้ทำเข็มช่างหน้าหัวเราะพระมหากัสสปะกล่าวกับพระอานนท์ว่าอานนท์เธอหรือเรากันแน่ที่ควรจะเป็นพ่อค้าขายเข็มก็พระศาสดาน่ะ เคยยกย่องเธอบ้างหรือว่ามีวิหารธรรมคือทําเป็นเครื่องอยู่ประจําวันเสมอด้วยพระองค์แต่เรานี่แหละพระศาสดายกย่องในท่ามกลางสงเสมอว่ามีธรรมเสมอด้วยพระองค์เช่นเดียวกับที่ยกย่องพระสารีบุตรว่าสามารถแสดงธรรมได้เสมอด้วยพระองค์ท่านผุเจริญพระอ น, นุ์กล่าวด้วยเสียงด้วยกปกติอย่าคิดอะไรเลย สตรีส่วนมากนะเป็นคนโง่เขลามักขาดเหตุผลพูดพร่อยไปอย่างนั้นเองอการที่พระมหากัะสปักกล่าวกับพระอนุ์อย่างนั้นไม่ใช่พระท่านน้อยใจหรือเสียใจในการที่พิสุนีกล่าวดูหมิ่นท่านแต่ท่านกล่าวด้วยคิดว่าคำพูดของท่านคงจะถึงพิสุนีและเธอจะได้สำนึกตนแล้วกลับความเห็นเสีย การที่พิสูจนีกล่าวเช่นนั้นเป็นการไม่สมควรจะเกิดโทษและทุกข์แก่เธอเองด้วยจิตคิดจะอนุเคราะห์อย่างนี้พระมหากัสปะจึงกล่าวอย่างนั้นโดยความเป็นจริงแล้วพระมหากัสปะมีความสนิทสนมและกรุณาพระ อ, อนุนยิ่งหนักกล่าวกันว่าแม้พระ อ, อนุนจะมีอายุย่างเข้าสู่วัยชราเกษางอกแล้วพระมหากรสปะก็เรียกท่านว่า เด็กน้อยอยู่เสมอและพระอนนุนล่ะก็ประพฤตินตนน่ารักเสียจริงๆคราวหนึ่งมีพราหมณ์ผู้หนึ่งเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาทูลว่าสำหรับพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สามโลกนั้นเขาได้บูชาแล้วด้วยการถวายอาหารบ้านถวายเครื่องนุ่งห่มและเครื่องใช้บ้างเวลานี้เขาต้องการจะบูชาพระธรรมควรจะทําอย่างไรดีจึงเรือกไดว่าบูชาพระธรรม พระศาสดาตรัสให้บูชาพิสุผู้เป็นพระหูสูตรทรงธรรมเขาจึงทูลถามว่าก็ใครล่ะเป็นพระหูสูตรทรงธรรมพระผู้มีพระภาครับสั่งให้พราหมณ์ไปถามพิสุททั้งหลายเมื่อพราหม์ไปถามพิสุททั้งหลายก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้เป็นพระหูสูตรทรงธรรมดังกล่าวนั้นก็คือพระอ น, นุลพุทธอนุชาพราหม์จึงได้นํากีวรไปถวายพระอ น, นุลเป็นการบูชาพระธรรม พระอานุ์จึงเป็นสาวกที่เป็นองค์แทนธรรมรัตนะกล่าวอีกปริยายหนึ่งผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรมโดยชอบไม่ดูแคลนธรรมให้ความยำเกรงแก่ธรรมไม่เหยียบย่ำธรรมชื่อว่าเป็นผู้บูชาพระธรรมโดยความหมายอย่างสูงแม้พระพุทธเจ้าเองก็ทรงเคารพนับถือธรรม พระองค์ประทับอยู่นริมฝั่งแม่น้ำเนรันฉลาใต้ต้นไทรอันคนเลี้ยงแพะช่อบมาพักอาศัยเสมอซึ่งมีชื่อว่าอาชปาลนิคโครธทรงปริวิตกว่าผู้ไม่มีที่พึ่งอยู่ลาบากผู้ไม่มีที่เคารพที่เกรงใจก็อยู่ลาบากก็พระองค์จะถือใครเป็นที่เคารพยำเกรงได้ทรงตรวจดูบุคคลทั้งหลายที่พระองค์จะพึ ง, งเคารพยำเกรง แต่ไม่ทรงเห็นใครที่เสมอด้วยพระองค์หรือยิ่งกว่าพระองค์ในเรื่องศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์และวิมุตติยาทัทสนะแต่ยังทรงตรหนักอยู่ว่าผู้ไม่มีที่พึ่งที่เคารพยำเกรงย่อมอยู่ลบาบากพระองค์ควรจะมีใครหรืออะไรหนาเป็นที่เคารพในที่สุดก็ทรงมองเห็นพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นั่นแหละว่า เป็นธรรมที่ประณีตเลึกซึงควรแก่การเคารพพระพุทธองค์จึงทรงอธิษฐานพระไทยถือเอาธรรมเป็นที่เคารพแห่งพระองค์พระธรรมจึงเป็นสิ่งสูงสุดแม้พระพุทธเจ้าเองยังต้องทรงเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์จะต่างกันก็แต่เพียงชื่อเท่านั้นส่วนโดยเนื้อความแล้ว เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแยกออกจากกันไม่ได้เปรียบเหมือนแก้วหรือเพชรสามเหลี่ยมซึ่งอาศัยอยู่ในเม็ดเดียวกันนั่นเองพระธรรมเป็นความจริงซึ่งเป็นอยู่ตามธรรมชาติเป็นกฎแห่งความจริงซึ่งมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบกฎแห่งความจริงนั้นแล้วนำมาตีแผ่ชี้แจงแสดงเปิดเผยพระสงค์เป็นผู้ปฏิบัติตามพระธรรม และรักษาธรรมทรงทาไว้และแสดงต่อๆกันมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกเหมือนผู้รับช่วงดวงประที่สำหรับส่งทางแก่มวลมนุษย์ผู้สัญจร อ, อยู่ในป่าแห่งชีวิตนี้ครั้งหนึ่งพระอนณน์นั่งพักอยู่ณที่พักลังวันท่านมีความคิดขึ้นว่าพระศาสด า, าเคยตรัสเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหลายพระองค์เช่นเรื่องมารดาบิดาของพระพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นั้น เรื่องกำหนดพระชนมายุเรื่องการตรัสรู้เรื่องสาวกสันนิบาตเรื่องอกรสาวกตลอดถึงเรื่องอุปทานแต่เรื่องอุโบสถของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสให้ทราบเลยอุโบสถของพระพุทธเจ้าองค์ก่อ น, อนจะเหมือนกับของพระาศาสดาของเราหรือไม่เมื่อท่านสงสัยดังนี้จึงข้อค้าพระพุทธองค์ทูลถามข้อความนั้น พระผู้มีพระภาคก็ตรัสตอบว่ากําหนดอุโบสถของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ไม่เหมือนกันส่วนโอวาท ป, ปาติโมก ค, คือพระโอวาทที่เป็นหลักของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นั้นเหมือนกันทั้งสิน้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสีทรงกระทำโอุโบสถเจปีต่อหนึ่งครั้งทั้งนี้เพราะพระโอวาทที่ทรงประทานวันหนึ่งเพียงพอสําหรับหนึ่งปี ส่วนพระสิกขีและพระเวสสภูสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกระทำอุโบสถหปีต่อนหนึ่งครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากักุสันทะและโกนาคามณะทรงกระทำปีละครั้งพระกัสปะทศพลทรงกระทำทุกๆหเดือนส่วนพระองค์เองทรงกระทำทุกๆสิบห้าวันการเวลาที่ทำอุโบสถแตกต่างกันอยู่อย่างนี้ แต่พระโอวาทนั้นเหมือนกันทุกประการตอนแรกทรงแสดงหลักทั่วไปว่าเตติขาขันติคือความอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์ที่มายั่วย้าวให้โลภให้โกรธและให้หลงอดทนต่อคำร่วงเกินของผู้อื่นจัดเป็นตบะธรรมที่ยอดยิ่งพระพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่าพระนิพพานเป็นบรมธรรมคือจุดหมายปลายทางแห่งการประพฤติพรหมจรรย์ ผู้บวดแล้วแต่ยังบิดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนอยู่หาชื่อว่าสมณะคือผู้สงบใหม่ตอนที่สองทรงวางแนวการสอนพระพุทธศาสนาว่าศาสนาของพระองค์สันเสริมการไม่ทําความชั่วและสันเสริมการทําความดียกย่องการทําจิตให้ผ่องใสสะอาดเพราะฉะนั้นในการสอนธรรมพึงพุ่งเข้าหาจุดทั้งสามจุดนี้ พูดให้เขาเห็นโทษของความชั่วให้เห็นคุณของความดีและการทำใจให้ผ่องแผ้วประการหลังเป็นจุดมุ่งหมายตอนที่สามทรงกำหนดคุณสมบัติของผู้เผยแผ่ว่าต้องไม่ว่าร้ายใครคือเผยแผ่ศาสนาโดยไม่ต้องลุกลางใครต้องไม่เบียดเบียนเข้นฆ่าผู้ที่ไม่เชื่อถือไม่ข่มเหงใครต้องสำรวมระวังในศิก ข, ขาบทปาติโม สำรวมตนด้วยดีทำตนให้เป็นตัวอย่างทางสงบต้องไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องพยายามรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งสมณา ت ไว้ต้องอยู่ในที่สงบสงัดไม่จึงจานพลุกพล่านต้องประกอบความเพียรทางจิตอยู่เสมอเพื่อละอกุศลธรรมที่ยังมิได้ละเพื่อบำเพ็ญกุศลที่ยังไม่ได้ทำให้เจริญโดยที่โอวาทปาติโม คือพระโอวาทที่เป็นหลักใหญ่ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เหมือนกันและลงกันได้อย่างสนิทอย่างนี้เองพระกันทารัตนาจารย์ผู้รัตนาคัมภีจึงกล่าวไว้โดยบุคลาทิฐฐานว่าเมื่อพระสกยามุนีเสวยข้าวมทุปายาตของสุชาดาในตอนเช้าแห่งวันเพ็นเดือนวิสาขะแล้วพระองค์ได้นำถาด ท, ทองคาที่ใส่ข้าวมทุปายาตนั้น ไปลอยเส้นแม่น้ำเนรัญชราถาดนั้นลอยทวนกระแสน้ำไปหน่อยนึงแล้วจมลงไปซ้อนกับถาดของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเสียงดังกริ๊พญานาคราชซึ่งนอนหลับเป็นเวลานานก็ตื่นขึ้นพลางนึกในใจว่าเร็วจริงยังนอนหลับไม่เต็มตื่นเลยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นอีกองค์หนึ่งแล้วมองดูถาดที่ลงไปซ้อนกันอยู่ครู่หนึ่ง แล้วหลับต่อไปพญานาคราชนี้จะตื่นขึ้นเฉพาะเวลาที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเท่านั้น